แ ล, และความง่วงตัวนี้มันแตกต่างจากความ่วงธรรมดาที่เรารู้จักหรือเป่ะใช่มันจะซึมเซาที่เกียรติที่คล้านหมดความภาคเพียรอย่างเวลาทําสมาธิคนที่ติดสมาธินะจะให้ออกมารู้กายรู้ใจเนี่ยไม่ทําคําว่าวิริยะคือเพียรแผดเผากิเลสปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดทําลายกิเลสเก่าทํากุศลให้เกิด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 เพานั้นธรรมะในภาคปฏิบัติเนี่ยไม่เไม่เกิดเรื่องกายกับใจวิริยะก็คือการที่มีสตินั่นเองเมื่อไรมีสติอกุศลก็ถูกละอกุศลใหม่ไม่เกิดเมื่อไรมีสติกุศลก็เกิดที่เกิดแล้วก็ยิ่งงอกงามไพ่บูรณ์ขึ้นเรื่อยๆพอทำสมาธิแล้วไมันช่ขี้เกียจเจริญสติเพราฉนอย่างพระป่าทาสมถะมากๆติดสมาธิ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 จ่ายเงินไปแล้วหมดเนื้อหมดตัวทําบุญบางคนนะขายบ้านไปบริจาคทําบุญกับบ้านสามีตเตะแล้วนะหมดแล้วบุญจิตใจสศร้าหมองนะงั้นมีมีศรัทธาต้องมีปัญญามีปัญญาก็ต้องอาศัยศรัทธามีวิริยะนะความเพียนมากไปจิตใจฟุ้งซ่านต้องทําความสงบเข้ามา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 แต่พระอริยะเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยศรัทธาแน่นแฟนในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีคลอนแคลนอีกต่อไปลนะเพราะอะไรเพราะมีปัญญามีสติจนมีปัญญานะเห็นความจริงเจเริญสติแล้วจิตมีสตินะมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมานะนเรียกมีวิริยะอยู่ก็จเจริญสติสมาธิปัญญาต่อเนื่องไปได้่อย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 ไม่เข้าใจครับแต่จะจําไว้จําไว้นะจำไว้นะค ำ, นะ ำ, นะำชับอย่างนี้นะจําไว้นะถ้าเราไม่เคยได้ยินคนํานี้เวลาเราภาวนาจนเราเข้ามาถึงจิตผู้รู้นะเราจะเพลิดเพลินพอใจจิตผู้รู้นี้เหมือนไม่มีอะไรแทรผ่านได้อีกต่อไปแล้วจิตผู้รู้เหมือนที่ฝากเป็นฝากตายของเราได้แล้วจิตผู้รู้เหมือนที่ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์แล้ว